กระทำแบบในตัยวยิ่งทกาก็ยิ่งเกิดปัญญายิ่งทกาก็ยิ่งได้ปัญญาที่ดียิ่งทกาก็ยิ่งทาคนหลงผิดให้หมดไปเป็นอย่างนั้นทีแรก็ต้องทําจังหวะพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวควรไม่รู้ไปที่ไหนไม่ต้องยิ่งใหญ่เลยทำเบาๆทำซาซาอันรูน้น้อยเนีรู้พลิกมือไม่เอามากเกินไปแล้วมุดคนต้องการแล้วเขาไม่ให้ต้องการพลิกมือไม่ต้องรู้แล้วเอาเพียงรู้ รู้มันหยุดแล้วหยุดแล้วยกขึ้นรู้มันหยุดแล้วรู้ลงไปรู้เอาเพียงแค่รู้แต่รู้เบาๆถ้ารล้หนนะักมันแน่นเเนวถ้าเราไปจ้องไปเพ่งมันบังคับเกินไปนะครับว่าตึงเครียดนี่ครับว่าตึงเครียดเป็นทุกข์แล้วแล้วเราต้องการปฏิบัติธรรมะเพื่อคนสบายแล้วทําไมจะไม่รู้ควาสบายคนเมืพ่อเคยไป เจอหลายคนเอ๊ะทาแล้วมันตึงเครียดมึนอ่ะมันตึงเครียดกับคุณไม่สบายอยู่แล้วคุณไปทํามันทําไมนี่ก็แสดงว่าทิศทีของคนไม่เหมือนกันนี่แหละหลวงพ่อนํามาพูดเรื่องทิศที่ยิ่งว่าจะอย่าจับผิดหลวงพ่อนะจับผิดก็ได้ไม่เป็นไรหลวงพ่อพูดจริงถ้ามันตึงเครียดเรื่องมึนหัว อ, อะไรต่างๆแสดงว่าเราปฏิบัติทิดแล้วนี่หลวงพ่อเขาใจอย่างนี้หลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมหลวงพ่อจะเอากลางวันเป็นกลางคืน จะอากัางคืนเป็นกลางวานันเพราะว่ากลางวันมันทนทานเพียมากเราจะอยู่กลางคืนไม่เงียยมเข้าใจไปยันมันเป็นไปไม่ได้มันฟื้นธรรมชาติมะศึกษาธรรมะจึงศึกษาแต่กับธรรมชาติจึงเป็นธรรมชาติธรรมชาติคือคนนี่เองการเคลื่อนการไหลการไปกันมาเป็นสรญชาตยานของคนและสิเนี่ยข้าพเจ้าท่านสอนจากนี้ศักดมันมันไม่มีคนจํามาพัฒนาไม่ได้แต่คนมันมีคนจํามันพัฒนาได้ ก็เลยมาทําจังหวะพลิกมือขึ้นข้อมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังรู้สึกตัวรู้สึกกัรู้สึกตัวเองถ้าผิดปกติไปแล้วก็เขาเรียกว่าบ้าบ้านหลวงพอง่อเอ๊ะไอ้นี่ผิดปกติแล้วเนี่ยคนถ้าควรักษาเนี่ยเขาบ้าดิผู้หญิงคนนังนี่บ้าแล้วผู้ชายเขาเท่านี่บ้าแล้วคนเท่าคนแก่เท่านี้บ้าแล้วเนี่ย เขาเรกบ้าทางนั้นพระสงฆ์องค์เจ้ากริยาบ้าผิดปกติไปในขณะไหนเวลาใดบ้าแทกแสงเคลื่อนภายใ น, ในใจิตใจแต่บ้าไม่เหมือนกันนะบ้าบางสิ่งบางอย่างบ้าร้อยเปอร์เซ็นตไม่รู้จักอะไบ้าที่หลวงพ่อพูดดิบ้าผิดปกติพรอเราลืปกติไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีปกตินี่เรียกว่าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเดินไปหาพระพุทธเจ้าก็เห็นพระพุทธเจ้าความพุกไี่สําคัญนะ อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็ยังมีทุกข์อยู่เช่นเดียวกันถ้าหากไม่รู้ธรรมะพอดีพระวรกาลิกจะไปตนเหวตายพระพุทธเจ้าก็เลยไปห้ามเอาไว้บอกว่าพระวรกาลิกเธอเข้าใจพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจใครซีมือใส่เจ้าใส่ศีรถะอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันเนี่ยพระวรกาลิกตายเป็นในตายเป็นพระวรกาลิกว่าเราผู้เป็นตถาคตได้ตายเป็นในตายเป็นถ้าตายเป็นน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ทําไหม ภาวะก็กเกือมีความสงสัยขึ้นมาทันทีเธออยากเห็นพระพุทธเจ้าไหมภาวะกรลือกอยากเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับนิ้วเท้าีนมือของเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมถ้าหนูเห็นธรรมก็ต้องเห็นตัวหนูเองกำลังทำกาลังพูดกำลังคิดเรียนหนังสือมากๆจนได้เป็นปริยาตีปริยาโท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 คนผู้อย่างนั้นก็มี้บางคนไปทำการทำงานไม่ทุกข์ไม่ไมเหยอดร้อนใครจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราทำการทำงานโดยไม่มีทุกข์นั่นก็มีบางคนทำการทำงานหวังเงินเดือนอนั่ก็มีไม่เหมือนกันดังนั้นจึงอาศัยการฟังท่านผู้รู้แต่พวกเราก็เพืเ่อจะจดจำตามคาพูดคำสอนของครูบาอาจารย์น้ฟัง เราต้องปฏิบัติเองการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาแก้ทุกข์นี้เองแต่คนไม่มีทุกข์แล้วอยู่ที่ไหนก็สบายไม่เดือดร้อนจวนจะบุดลมหายใจต้องขาดสักก่อนอย่างน้อยต้องสามนาทีหรือห้านาทีเราต้องประสบกับอันนี้สักก่อนเพรว่าเราจะประสบด้วยข ม, มืดหรือเราจกประสบด้วยมสว่างนีการฟังธรรมะทุกคนต้องประสบอันนี้ถ้าเราทําอันนี้ไม่ได้กลับไปว่า เราไปประสมทุกหูมืดถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้ได้ฟังแล้ก่ออย่างดีเพราะเราจะคุ้นหูเอาไว้เัาจะพอรู้จากทิศทางเดินไปได้ไงไปอย่างี้ถ้าเราไม่รู้กันเนี่ยไม่ได้ฟังไปประจกเห้ยลงไปการฟังธรรมะหลวงพ่อเนี่ยคนไม่เคยฟังจริงๆไม่จะไม่รู้เลยเพราะหลวงพ่อพูดแล้วไม่คือเพื่อนเขาพูดเ่งเพื่อนเขาต้องพูดประจบประแจงให้คนดีใจเนี่ยหลวงพ่อไม่เอาการประจบประแจงนั้นมันผิดไป หลวพ่อไปหลวงพ่อพูดตรงกๆมาเยี่ยหลวงพ่อพูดอย่างนี้ทางนั้นแต่ไม่ได้พูดถึงนี้กับนี้พูดถึงนี้กับนี้แต่ทุกครั้งหลวงพ่อต้องพูดเรื่องเรื่องเอกเสื้อมาตัดเองหลวงต้องพูดทุกครั้งแต่ว่าจิตพูดอย่างนู่นหลพอไม่ค่อยมีเป็นอย่างนะแต่อที่ถึงที่สุดเนี่ยมันจิตพายไปหมดเลยเสื้อไปติดพุนไปติดพีดบุงเข้ามาบนถึงกันเลยเหมือกับเราเบินไปเดีไปตกลงเหวนั่นก็ได้ โดยสุขพ่อเรียนแต่มันมันสะเด็ดไปเลยมันจืดไปหมดตัวเลยหลวพ่อเคยเปรียบให้ฟังผู้ใดมีเด็กน้อยนะมีลูกน้อยเอามือไปอุ้บเอามือไปแปะกับพวกก้นเนี่ยมันขาวพอที่เอามือเอแล้วมันแดงมันแดงแล้วเอามือไปแปะก็มันจืดหมดเลยเมื่อไปถึงจุดนั้นเราคนจะจืดทั้งหมดเลยจ่วนจะตายนี่เราต้องจืดอันนั้นแหละจึงทุกคนต้องประสบจริงๆอย่าไปตบหกตบใจพวกเราใครจะพูดยังไงก็ ก็ห้มไม่ได้นะฮะวัน้โอ๊ยไปฟังธรรมะวัฒนธรไหนไม่มีประโยชน์อะไรเลยถูกของเขาพ่อเขาไม่เคยเรู้อย่างนี้ไม่เคยได้ฟังอย่างนี้ก็าฟังไม่เป็นไม่มีประโยชน์จริงจริงแต่ว่าอันนี้เนี่ยประโยชน์สูงสุดในทางาพระุธาฒนาถ้าใครทําได้เนี่ยเป็นยอดของมนุษย์ดังนั้นพวกเรามาที่นี่เป็นผู้มีศรัทธาอย่างสมบูรณ์แล้วก็คินว่าพูดให้ฟังทั้งเศ้าทั้งเย็นตอนสันก็พูด วันนี้ทำวัดเศร้าก็นำมาเราให้ฟังอีกเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สี่ของงานแล้วบางคนก็จะกำหนดวันที่สี่ก็ต้องไปแล้วไปแล้วเนี่ยบางคนบางคนวันที่สี่ก็สอบไม่รด้เพราะยังมีลมหายใจอยู่เราต้องทำบางคนเขาใจอย่างนั้นก็มีนะคนเชื่อวันที่สี่ก็ต้องมาหยุดเพราะเรายังมีลมหายใจอยู่ไปไหนมาไหนก็มีสติหรือมีความรู้สึก ตื่นตัวตื่นใจตื่นอยู่เสมอไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงความคิดมันคิดขึ้นมาเห็นรู้เข้าใจที่เราพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวอันนี้แหละสัญญาสัญญาอันนี้คือรู้สึกพลิกมือขึ้นก็รู้สึกขั้วมือลงก็บรู้สึกก้มลงก็รู้สึกเหนยขึ้นกับรู้สึกเลี้ยวซ้ายก็รู้สึกเลี้ยวหัวก็บรู้สึกพลิกตาก็บรู้สึก ตาเลือด้ายแห ล, ล่ขั้วกระโความรู้สึกเรียกว่าสัญญาตำราท่านว่าสติคนระลึกได้สำปาเป็นอย่างคมรู้ตัวท่ญญานว่าอันนี้ไม่ต้องพูดว่าสติสัมรู้สึกนั่นรวาสัญญาเห็นตัวเรานีนเองกําลังนั่งกําลังยนืนกําลังนั่งกําลังนอนหรือเดินไปไหนมาไหนก็รู้อันนี้เรียกว่าสัญญา สัญญาอันนี้เกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่วะญานิปตนาเข้าไปรู้มันเข้าไปรู้ไม่ใช่มันเข้าไปคือความรู้อันนั้นแนะสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็เลยเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงบัดนี้ทำความเพียรลงไปละเลิกความรู้คิดเห็นต่างๆและตำรับตาราอะไรต่างๆมาจาับตัจะความรู้สึกเท่านั้นเอง รู้สึกทำวิธีใดรู้สึกท่านเข้ามีจากอารมณ์อันนี้เหมมันคน้คนญาติปติกรมคิดอันนี้เ ส, สียงหลวงพ่อวอลสิ้นเ่ยเนี่ยญาติปิติกรมคิดมนแบบนั้นเพราะความคิดนั่นแหะมันเป็นอารมณ์มันเป็นอวิชชาอวิชชาจึงแปลว่าไม่รู้วิชชาจึงแปลวะ่ารู้เมื่อทิ้งอารมณ์เหล่านั้นจับแต่ความรู้สึกล้วนๆเหมือนพอเดนมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดมาปุ๊บเห็นปั๊ c, ให้หลวงพ่อว่าภาษาบวัตหลวงพ่อวันวนี้มันยังคิต เข้าใจดีพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บแมวมีกำลังหนูตัวโตวถ้าใดมาแมวกัดจับปุ๊บหักคอเลยพอดีหนูกระดิกตัวจะวิ่งไปแมวมันตกปุบเลยอันนี้ก็แสดง ว, ว่ามันนึก่อว่าจะคิดปุ๊บรู้จักทันทีหลวงพ่ อ, อยังเปรียบ ว, ว่าคนสองคนนอนเฮียงกันอย่างที่คนนึ้พิชกินตัวนี้ก็รู้เลยคนนี้พิชินคนนี้ก็รู้เลยเพราะความเร็วขอปัญญาเพราะความเร็วของการรู้แจ้ง เพราะความเร็วของสัญญาเสยสัญญาจดหมายรู้และจำได้ทำให้เกิดยานสัญญาเพราะสัญญาตัวนี้เองไม่ใช่ว่าสัญญาเอาของไว้ที่นั่นนาฬิกานี้ได้จากเวลาแล้วอันนั้นมัเป็นสัญญาของคนและสัตวมันไม่ใช่เป็นสัญญาของพระเดียเจ้าสัญญาของพระเดียเจ้าน่ยสัญญาเกิดมาจากกฎของธรรมชาติจริงๆดังนั้นพวกเราฟังและประพฤติปฏิบัติตามต้องทำจริงพูดจริง เป็นคนมีศรัทธาโกหกพูดเท็จพูดไม่จริงเพราะเราไม่รู้จริงจับคํานั้นมาพูดจับคํานี้มาพูดเลยว่ายืนจากคําพูดคนอื่นไปอ่านจากตํารามาอันนี้ท่านวัเดเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยท่านวัดเขาจะเดินไปดีเจ้าของประาการซากลากดึงเขาไว้ท่านวันทรงนั้นพุขาดช่วงกันทันทีเลยเรียกว่าสภาพหรืภาวะความเป็นอยู่ของลูก อยากเข้าสู่กับความอยู่ของรูปความเป็นอยู่ของจิตอยากเข้าสู่ความภาวะของจิตทันวาอย่างนั้นเรียกว่าอาการเกิดดับทันที่ว่าโยจะวัตตังสิเวอัปัสสังอุทยัพยังเอกาหังสิวังเสโยปัตสโตอุทะยัปสสยพยังคนเกิดมาลอยวันพันปีถ้าหากยังไม่รู้อย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่สัมผัสอย่างนี้ไม่แจ้งแจ้งอย่างนี้ อายุหรือชีวิตของบุคคลนั้นเกิดมาเป็นคนเป็นโมฆะเป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่านว่าอย่างนั้นแต่มันก็มีทำนาทำสวนซื้อขายได้ยินได้แต่มันไม่มีประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนามันไม่มีประโยชน์ทางผลทุกข์ท่านว่าอย่างนั้นแบบนี้เกิดมาตั้งเต็มตัวเลวเนี่ยเกิดมาเพียงวันเดียวนะรู้จักเห็นเข้าใจแก่งแจ้งสัมผัสได้สภาพภาวะอาการเกิดแบบนี้ ดีกว่าบุคคลเกิดมาร้อยวันทันปีนั้นทันว่าอย่างที่พวกเราเนี่ยเข้าใจกันให้ดีคนเกิดมาวันเดียวมันทิ้งทีงตีงัวไม่ได้จาเป็นมันต้องหาที่เลี้ยงอันนี้พวกเรามาที่นี่ฟังวันเดียวนี่ยเข้าใจเลยแจ่มแจ้งเลยทันว่าอย่างไนไม่มีอันใดมาข้องแวะไม่มีอันใดมาปิดบังเรือเราแตกปุ๊บย่างน้ำขึ้นได้ทันทีเลยเพียงเข้าเพียงแชก็เดินไปได้มีกําลังแรง เรีกว่าผู้มีศรัทธาเราไม่หยุดไม่เสาแม้ครูบาอาจารย์หรือเพื่อนว่าจะ ก, กรรําหนดวันที่สี่ก็ตามเรายังมีลมหายใจอยู่เราต้องทําเราต้องพูดเราต้องคิดไปให้บรรเทิงจุดหมายปลายทางได้ทันวันอย่างนั้นเถิดเป็นการเข้าไปกับพระพุทธเจ้าทันวันอย่างนีน้อันนี้ในทางตรงกันข้ามอย่างถึงมั น, นดวดมาลอยพันษาก็ตามถ้าหากยังไม่รู้จักสภาพภาวะอย่างที่ หลวงพ่อพูดนี่การบวชของคุณนั้นเป็นหมันเป็นโมฆะไม่มีค่าไม่มีคุณในการบวชในทางพระพุทธศาสานาเลยฉันว่าอย่างนั้นเพราะว่าครูบาอาจารย์เขาเล่าให้ฟังเพราะตํำรับตํานามีอย่างนั้นท่านว่าอย่างนั้นครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังบัด น, นี้บุคคลที่บวชมาเพียงวันเดียวรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจจริงสัมผัสแนบแนงสภาพรูปภาวะเช่นว่าอาการเกิดดับนี่คนนี้แหละมีประโยชน์ มีค่ามีคุณวันนี้เรากําหนดกันว่าวันที่สี่แต่ยังท่อถอยไม่ได้เพราะเรายังไม่เข้าใจไม่แก่นแจ้งในสภ า, ภาวะว่าเช่นนั้นเมื่อเราเข้าใจแก่นแจ้งสภ า, ภาวะว่าเช่นนั้นแล้วเราก็ยังทอดถอยไม่ได้เพราะเราทําคมรู้สึกตัวตื่นตัวทําคมรู้สึกใจตื่นใจพยายามให้รู้ให้เห็น้เข้าใจเลยว่ารู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจจริง เข้าใจว่าวันที่สี่หยุดแล้วหนีไปบ้านไม่ต้องนึกต้องฝันอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดแล้วมันตกอยู่ในน้ำลึกบางคนรู้จักรูปนามไปบางคนรู้จักผวมคิดไปบางคนรู้จักวัตถุ ด, ดีแล้วทำลายโโมหฮะโลภะได้บางคนบางคนรู้จักกิเลสตัณหาอุปาทานเห็นแจนแจ้งดีแล้วไม่ทำต่อไป มันจะถอนตัวกลับมาเรียกว่าอุปปัฏฐโมอคุปปัฏฐโมท่านว่มาริหะนธรรมโมอภิริหานธรรมโมเจตนาภพโพอนุรักขณาภพโภท่านว่า่งจริงว่าอนุแปลว่าน้อยบางทีอาจจะถอยหลังก็ได้จะเดินหน้าก็ได้อย่างน้อยเราต้องอยู่กับที่ท่านว่าอย่างยาถอยหลังยาถอยหลังมาจริงๆเดินหน้าไปให้ได้ท่านว่าอย่างดังนั้นจึิงว่าให้รู้จักคุมคิดจริงๆ มันคิดอยากเข้าไปในความคิดพอะได้คิดปุ๊บทําผมรู้สึกอันนี้เนี่ยมันหายเองความคิดมันหยุดเองมันจริงมั้ยทุกต้องกําหนดรู้อันนี้เป็นลูกทุกยุ่มอ่ะให้รู้จากลูกผู้จากน้ําพื้นฐานอันนี้จริงๆลงหลักลงเข็มอันนี้จริงๆริงลูกอันนี้เนี่ยมันเป็นรูกเนี่ยลูกน้ําเนี่ยเป็นลูกน้ําลูกทำทำแล้วเนี่ยลูกนังยัวที่เป็นลูกเป็นน้ำเซยเซย์ยกมือขึ้นเป็นลูกทำน้ํำทำเมื่อเจ็บหัวปวดท้อง เป็นลูกโลกนามโลกบัด น, นี้ไม่เจ็บหัวไม่เจ็บท้องคิดรักชอบพอใจในทางตรงกันข้ามเปียดไม่พอใจเบื่อหน่ายแน่จิตวิญญาณเป็นโลกแล้วลูกกายไม่เป็นเลยทำไมเป็นอย่างนั้นนี่ว่าอนัตตาแห่งธรรมมันเป็นอย่างนั้นทันว่วอย่างนั้นอย่ทุกต้องกาหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญยีรถทันทพูดมาแท่จะตาย ตั้งแต่อายุสิบกปีพูดมาไม่รู้เลยอายุสี่สิบหกปีเรื่องเล็กไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆพิษตาเดี๋ยวมึนขึ้นสว่างเลยเราต้องรีบเดินไปหนีไปให้พ้นจริงๆมันเป็นอันตร า, ายร้ายกาจที่สุดโลกนี้ไม่น่าอยู่ไม่น่าสมเลยบอกพทธเจ้าตันวนจาจังนะดังนั้นนิพพานนะจึงมีในคนทุกคนทำการทำงานด้วย น, นิพพานกินด้วย น, นิพพาน นอนด้วยเนปานไปไหนมาไหนเอาเนพานไปด้วยเนปานหมายถึงอะไคือความตายนั่นเองไม่ใช่ตายอันนี้ความดับสนิทนั่นเอง น, นินปานนินพานจริงว่ามีแล้วในคนทุกคนนเนพานจริงว่ามันเป็นซื่อเหมือนเท่าไหร่เนปานจริงว่าดับความร้อนให้เย็นกูบาจารย์บอนต้ม อ, อาหารร้อนๆมาจะกินไม่ได้นะกูบาจารยันแล้ว่าคนอินเดียพูดไว้ให้มันเนพานก่อน นัน่นเป็นเสื้อคําพูดอย่างใครจะแปลยังไงมาก็ได้เถอะนิพพานอย่างที่หลวงพ่อพูดดี่นิพพานหมายคือมดับมันขาดแล้วนิพพานจู่ว่าไม่มีการเสื่อจะต่ออีกแล้วเพราะอย่างว่าคนหมดกิเลสนั้นตายได้จึงไม่เกิดคนให้หมดกิเลสตายได้ยังเกิดเพราะมันติดกันนะจว่ากิเลสที่เป็นอย่างเหนียวถ้าหากไม่อน้มามันล่อเลื่นมาใส่ด็มันจะติดกันอยู่ทุกขณะทุกเวลา